วันนี้ไปโรงพยาบาล่ายกรีดพาเขาทำบุญนะแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับบุญทั้งหมดให้ใจสบายใจเป็นบุญฮานิสงแวดล้อมก็มีแต่ที่สำคัญคือชำระใจแล้วก็พานั่งสมาธิอุธิตบุญไปเออไปใหม่นี่ ซ, ซึ่งไม่ค่อยสบายตามเนื้อตามตัวนะ แน่นอืนอดพอพาอุทิศบุญยางร้อยเย็นที่นี่สบายไอสิ่งนั้นหายหมดเลยพวกเจ้าหน้าที่อะไรก็สบายใจท่านลองลองก็พอดีจะย้ายไปตายด้วยโอ้โชคดีผมดีใจดีได้พบท่านวันนี้เป็นบุญมากๆใจก็คงสบายด้วยแต่ว่ามีคนหนึ่ง หลังจากเสร็จแล้วเข้ามาถามที่ปฏิบัติเนี่ยมีเป้าหมายเนี่ยให้เกิดปัญญาใช่ไหมเจ้าค ะ, ะเราบอกว่าเจริญสติไปพอจิตมันสงบแล้วตั้งมัน่นแล้วจิตอยู่กับตัวได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเป้าหมายคือปัญญาใช่ไหมเจ้าคะใช่โอ้งนั้นดิฉันเดินทางถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะ นะดูสิคนมีปัญญาก็มีเนะอะรู้เป้าหมายเลยปฏิบัตินี่เพื่อให้เกิดปัญญานั้นถูกต้องจเจริญสติก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิจิตอยู่กับตัวมันไม่ไหลไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตสงบจิตเป็นสมาธิก็ไม่ใช่ดีอกดีใจพอใจว่าจิตเราสงบแล้วจิตเรานิ่งแล้วจิตเราสบายแล้วมีความสุขแล้ว เป้าหมายเป็นแค่ฐานรองรับปัญญาปัญญามีปัญญาก็ไม่ใช่อีกอมีปัญญาก็เป็นทางดำเนินไปอีกเป้าหมายจริงๆคือหลุดพ้นวิมุตติสาราเนะพราะนั้นถ้าใครถามว่าเป้าหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรคือความหลุดพ้น วิมุตติสาราความหลุดพ้นคือแก่นสารที่แท้จริงของคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติอยู่นี่เป็นทางผ่านทางนั้นเพราะนั้นจะให้จิตยึดติดข้องอันนั้นอันนี้ไม่สมควรติดไม่ได้ยึดไม่ได้เอาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเป้าหมายจริงๆคือจิตต้องหลุดพ้นจิตต้องไม่มีทุกข์ท่านเรีว่าวิมุตติศาราความหลุดพ้น เป็นแก่นสารเป็นสาระที่แท้จริงของคำสอ น, ข อ, น, นสของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าใครเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนฉลาดต้องมีเป้าหมายเพื่อความพ้นทุกเพื่อดับทุกข์ให้กระจเราตอนปฏิบัตินี้ทุกข์ก็ต้องน้อยลงไปด้วย ปฏิบัติแล้วทุกข์มันมากขึ้นปัญหามันมากขึ้นแสดงว่าเราวางใจผิดแล้ววางท่าทีภายในใจผิดแล้วความเห็นผิดแล้วความเข้าใจผิดแล้วแสดงว่ามันจะเอานั่นเอานี่แล้วนี่มันจะมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วแทรกขึ้นมาแล้วไม่ถูกต้องไม่เอาทั้งนั้นใจตัวตน น, นนี่แหละมันทําให้เป็นทุกข์เพราะมันมีความเห็นผิดมันเข้าใจผิดเนี่ย ทำดีว่าเราดีนี่ก็ไม่ได้อีกทำดีต้องเพื่อให้จิตเราสงบจิตเราสบายแล้วจิตเราเป็นสมาธิจิตเราตั้งมั่นเพื่อให้มีปัญญามีปัญญาก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาที่แท้จริงปัญญาญาณเนี่ยแล้วเพื่อความหลุดพ้นนุน่นน่ะมันต้องรู้เป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติของการมาอยู่วัดมันก็ไม่หลงเอานูน่นเอานี่สิที่นี่เพราะถ้าหลงไปยึดนูน่นยึดนี่มีตัวมีตนแล้วก็ เอาแล้วมันก็ไม่หลุดพ้นมันไม่สบายคือมันในจิตใจเรื่องอะไรมันขุนเครื่องอะไรนี่แหละมันกั้นอีกแล้วไม่เอาอีกเพราะเป้าหมายของเราคือความหลุดพ้นคือไม่มีความทุกข์ในใจมันมีทุกข์เข้ามาเนี่ยมันกั้นความหลุดพ้นแล้วไม่ได้เอาสติเข้าไปเนี่ยอบรมจิตเราบางทีก็เห็นเฉยๆมันก็ดับเพราะไอ้ธรรมชาติอันนี้ มันเกิดแล้วก็ดับเพราะมันมาจากเหตุปัจจัยบางทีห้ามไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่ามันเป็นเราเนอะความทุกข์เข้ามาเนี่ยบางทีอะ่ะจิตของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติอันหนึง่งมันมีความเคยชินมันเคยสร้างสมมานะใครสร้างสมอบรมมาทางขี้โกรธโหชอบโกรธบ่อยๆมีอะไรพับเข้ามานี่โกรธแล้วขุนเคืองแล้วคำพูดคาจานี่ก็ ก็โชคโหกหากแล้วตาก็ขวางแล้วยังไม่ได้พูดจิตใจมันก็ปรุงแต่งคําพูดออกมาแล้วเนี่ยในจิตเนี่ยท่าทางมันขยุกยิกยุ ก, ย, กยิกแล้วมันจะไปทําร้ายคนอื่นอันนี้นะ่ะมันเป็นความเคยชินภายในจิตเขาเรียกว่าเป็นวิบากอันหนึ่งห้ามไม่ได้แต่เราต้องรู้มันแล้วควบคุมมันให้ได้แล้วก็จะเข้าไปเห็นพวกนี้แหละว่ามันเกิดว่ามันดับว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไปหลงว่าเป็นเราก็ไม่ได้เราก็ทุกข์สิทุกข์ฟรีๆเลยทุกเพราะความหลงเราต้องเห็นว่ามันเป็นของเกิดดับห้ามไม่ได้โอมันเป็นความเคยชินของจิตอา้าเราก็จะพยายามแก้ไขมันเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นจะมาคิดว่าเป็นเราไม่ได้ทีนี้เราก็สังเกตได้นะไอ้นนี่ใสประจําตัวของเราอ่ะมันก็จะโผล่ออกมาอยู่เรื่อยๆเวลาเราปฏิบัติเนี่ยในจิตเราเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้บางคนขี้น้อยใจ มันสังสมมานานเพราะอะไรหน่อยก็น้อยใจเนี่ยอันนี้มันก็สะสมมาความเคยชินภายในจิตที่โกรธบ้างขี้น้อยใจขี้บน่นนี่สะสมมาเมือนรู้บ่นมื่กี่พบกี่ชาติกียรสงขัยแล้วมาชาตินี้ก็ยังจะมาบ่นอีกไม่เอารู้รู้ที่นี่เงียบไว้พยายามเงียบไว้ดูมันให้เห็นเนี่ยมันจะรู้นิสัยของตัวเองไอ้ความเคยชินภายในจิตเนี่ย มันมีหมดแหละนิสัยเห็นแก่ตัวนิสัยเห็นแก่ไดน้นิสัยชอบให้คนเอาอกเอาใจชอบให้คนยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันมีหมดเราจะต้องเปรียนพยายามที่จะรู้ทันรู้ทันเราก็แก้ไขให้มันดีขึ้นมาก็คือมาแก้ที่จิตเรานี่ละมีสติเข้าไปรู้เนะี่ยเพราะเรารู้เป้าหมายแล้วนี่วิมุติศาลาถ้าหากว่าเราต้องการให้มี แกสารสาระนิคือความหลุดพ้นคือความพ้นทุกเนี่ยมีอะไรเป็นใหญ่สตารปัตเตยียมีสติเป็นใหญ่นะสติก็สําคัญสิทีนี้จะมีสติเป็นอธิบดีสตารปัตเตยียหมายว่ามีสติเป็นอธิบดีเป็นใหญ่เลยอธิบดีกรมนั่นกรมนี่ะเป็นใหญ่ในกรมนั้นเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่นี่ก็คือมีสติเป็นใหญ่ต้องมีสติอยู่ตลอด แล้วก็มีวิมุตตินี้เป็นแก่นสารเป็นสาระแต่ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดเนอเป็นสิ่งยอดเยี่ยมเป็นสิ่งสูงปัญญุตราญเป้าหมายคือการมีปัญญาปัญญาอบรมจิตจิตก็จะหลุดพ้นมันเกี่ยวข้องกันนะต้องมีสติรักษาจิตทีนี้พอสติรักษาจิตเนี่ยมันก็จะมีศีลสมาธิปัญญาท่านเรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาเป็นอานิสง์ มีสิกขาเป็นอานิสงฆ์หมายถึงว่าการปฏิบัติเป็นอานิสง์คือมีศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้าพูดในมุมกว้างเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็คือพูดสภาวะธรรมในจิตของแต่ละคนคำว่าศีลเนี่ยก็คือจิตของเรามีสติรักษาจิตใจให้เป็นปกติได้ ละเจตนาที่ไม่ดีละเจตนาที่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นฆ่าสัตว์อื่นขโมยข้าวของคนอื่นประพฤติผิดในกรร ม, มกล่าวมุสาวาดเนี่ยพวกเนี้ยมันก็มีเจตนาขึ้นมาก่อนเราสามารถมีสติสัมปชัญญะรู้ทันเจตนาที่ไม่ดีแล้วละเจตนานี้นะจึงเป็นศีลเพราะฉะนั้นศีลอยู่ที่ใจวันนี้ก็เหมือนกันเขามาถามก่อนมาปรึกษานะ ว่าเนี่ยตามพิธีนะศาสนพิธีเป็นอย่างนี้นะครับประทานจุดทูบเทียนไหว้พระเรียบร้อยแล้วจะขอรับศินขอรับศินแล้วก็อาราสนาพระปริตแล้วก็บอกว่าเออสินเนี่ยให้กันไม่ได้นะต้องรักษาเอานะเพราะนั้นไม่ต้องขอศีลพระปรลิตเนี่ยเราก็จะให้ภาวนาฟังธรรมแล้วภาวนาอุทิศบุญแทนเดี๋ยวมันมีประโยชน์มากกว่าครับเนี่ยเขาก็ไปประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าเนี่ย ขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะเหมือนเขาก็พร้อมที่จะยอมรับนะเพราะเขาก็รู้ว่าธรรมเนียมของเราเป็นยังไงเขาเคยมาที่วัดไม่งั้นเขาก็ไม่นีมนเราก็เลยไม่ได้ให้ศีลเราไม่ได้ศีลเราก็พูดเรื่องนี้หลักให้เห็นว่าศีลขอศีลเป็นพิธีกรรมพอการรักษาศีลเป็นหน้าที่ของแต่ละคนแล้วศีลเนี่ยมันเป็นสภาวะที่รักษาจิตให้เป็นปกติไอที่เป็น้อๆนึ่คือสีขาบท เป็นข้อที่เอามาปฏิบัติเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเรียกสิขาบทสิขาคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธคำสอนพระเจ้ามีศิขาเป็นอนิสงค์คือการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาเราให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นอานิสงค์เพราะฉะนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลหมายถึงสภาวะที่จิตของเราเป็นปกติละเจตนาที่ไม่ดีได้ เวลากระทบอารมณ์เนี่ยมันจงึงวูบวับเข้ามาที่จิตเราถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็ดับไปมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเราเขาไม่ทันโดนนั้นเจตนาที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นแล้วมันต้องได้ระวังกันเพราะฉนั้นถ้าศิลเราดีหรือไม่ดีอ่ะเขาไม่ได้มาดูข้างนอกแล้วนะทีนี้มันออกมาจากจิตนูน้นควบคุมจิตได้ก่อนเนะี่ยเจตนาที่มันไม่ดีอะมันทําให้จิตเราเนี่ย ไม่สบายขึ้นมาแล้วแล้วลงมือทาปั๊บเนี่ยจิตเราก็สูญเสียความเป็นปกติทันทีรุ่มร้อนขึ้นมาจากการกระทำของเราศีล ส, ส, สมาธิสมาธิมีสองลักษณะคืออันหนึ่งอ่ะมันสงบมันนิ่งเฉยๆแต่มันไม่รู้อะไรมันตามดูอารมณ์ไปตามลงไปมันไม่รู้อะไรอ่ะมันตามเฉยๆจิตสงบลงไปจนกระทั่งนิ่ง ือเป็นเอกขตารมแต่ว่ามันไม่เข้าใจอะไรมันแช่อยู่มันนิ่งอยู่อันนี้เรียกว่าสมถาากรรมฐานอุบายทำให้จิตสงบแต่มันก็มีความสุขความสบายสังขารที่ปรุงแต่งจิตก็น้อยลงนะแต่เป้าหมายจริงๆคือสติตื่นตัวขึ้นมาละนิวรได้ไ น, นิวร์เนี่ยมันจิตมันจะไหลไปทางเอานู่นเอานี่ยคุมมันได้มันยุด เนี่ยมันจะไปเอาลูกเอารถกลินเสียงสัมผัสอะไรเข้ามาปรุงแต่งในจิตเนี่ยมันรู้ทันแล้วมันรู้ทันมันก็เลยดับไปนิวรณ์ก็ไม่เข้ามากามาชันท่านนิวรณ์ก็ดับไปความง่วงเหงาซึมเศร้าเราทําให้มันตื่นขึ้นมามันเป็นเพราะร่างกายหรือเป็นเพราะจิตเราถ้าสติมันอ่อนบางทีมันก็หลับได้ถ้าสติมันเข้มแข็งมันก็ทําให้ตื่นตัวได้บางทีร่างกายเรามันอ่อนเพลีย เนี่ยเราก็ปรับให้เลือดลมวิ่งสะดวกขึ้นมาแก่กายแ ก, แก้จิตให้มันตื่นตัวได้แก่นิวรณ์ความง่วงเหงาเหานอนก็เป็นนิวรณ์อย่างขีนะ้ำมีาาาธานิวรพยาปาทุนิวรณ์ความพยาบาทเราก็ต้องมาศึกษามันไปโกรธเคืองมันพยาบาทเรื่องอะไรส่วนใหญ่ไม่ก็ไปยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความสําคัญไม่ถูกใจไม่ได้ใจโกรธเคืองขึ้นมา เราก็ต้องทำความเข้าใจเออมันเราจะให้ทุกอย่างได้ดังใจเรามันก็ไม่ได้เรยไปควบคุมทุกอย่างใครเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เพราะั้นใครเป็นยังไงก็เป็นส่วนของเขาเราทำไปแล้วเราคิดว่าเอออันเนี้ยว่ามันถูกต้องตัดสินใจดีแล้วแต่มารู้ทีหลังไม่ดีเนี่ยมันทำให้จิตใจก็ฟุ้งซ่านไปอีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มนิวรณ์ขึ้นมาอีกว่าเป็นอุทจกักุกขิจฟุ้งซ่านลาคาด อันหนึ่งเป็นพยาบาทานิวรเป็นพวกพยาบาทโกรธเคืองแผลดเผาอยู่ในจิตใจอันนี้เขาไปทําเป็นหนังทําเป็นละครก็คือเอากิเลสของคนนี่แหละไปแสดงนี่ถ้าใครดูละครอย่างเงี้โอ้ยอิจฉากันพยาบาทกันอาฆาตจองเวรกันฆ่าฟันกันคนก็ชอบดูเพราะมันตรงกับกิเลสตัวเอง ถ้าหาว่าจิตอยู่เหนือมันเนี่ยโอ้ยดูนี่สบายๆเลยนะบางทีลำคาญไปเลยโอ้ยแค่นี้มันก็ไปยึดไปติดไปคล้องมาทำเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาเนี่ยมันไปนรู้เรื่องจิเล่หมดแล้วเดี๋ยวอามาแสดงบางทีมันก็เกินจริงเลยเว่อร์ๆอีกพยาปาฐานิว อ, อุทัชยากุกุจานิวรนเนี่ยตรงละได้พุงสั้น คิดปรุงไปเรื่องน้นเรื่องนี้ออกเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นต่อไปเรื่องนั้นสะดุดขึ้นมาลาคาญขึ้นมางุดหงิดขึ้นมานี่เขาบอกฟุงงซ่านลาคาญเดือดร้อนเดือดแค้นขึ้นมาในจิตใจจะไม่ใจรุ่มร้อนได้วิจิกริชานิวรบางคนก็ขี้สงสยัยบางเรื่องสงลูว่าสงสัยก็หายบางเรื่องรู้ว่าสงสัยยังไม่พอต้องมีความเข้าใจด้วย ก็ต้องถามผู้รู้ผู้ที่เขาสามารถให้คำตอบเราได้คนมีปัญญาเนี่ยมันจะหาคนที่มีมีความรู้มีความเข้าใจจริงนะคือสามารถเลือกคนที่จะถามปัญหาได้เพราะนั้นสังเกตได้คนมีปัญญาเนี่ยการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันจะไม่ไปเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นะก็จะไปศึกษาซะก่อนทำความเข้าใจซะก่อน แล้วก็แก้ปัญหามันก็ถูกต้องก็ดีงามข้อผิดพลาดก็น้อยเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็บอกถึงปัญญานะเนี่ยถ้าล้านิวรณ์นี้ได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาทีนี้เป็นสมาธินะเป็นสัมมาสมาธิจิตมีกําลังสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมัน่นพร้อมอะไรเกิดขึ้นรู้นะทีนี้มันจะรู้นี่จิงว่าเป็นสมาธิในพระพุทธศาสนาทีนี้ความคิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันจะผ่านมาผ่านไปอย่างนี้ย เวทนาเกิดแล้วก็ดับอันนั้นอันนี้จิตเราตั้งมั่นอยู่มันดูอยู่เฉยๆมัน ร, รู้รู้รู้มันก็เห็นแต่สิ่งต่างๆนี่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่แหละคือตัวปัญญาวิปัสนาอยู่ตรงนี้ตอนแรกก็เออบางทีเราก็ดูไปมันตั้งมั่นแล้วก็มันก็มาดูอยู่จิตก็อยู่กับตัวเราเนี่ยมันก็มาดูดูดูดเนี่ยมันค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงละ มันเปล่ยนแปลงลักษณะไห น, ม, นมันก็แล้วแต่สภาวธรรมเบางคนก็ธาตุลมไหวๆบางทีก็ธาตุน้ําแสดงตัวบางทีก็พองขึ้นอืดขึ้นเป็นซากเป็นศพไปบางทีก็หลุดลุยเนี่ยบางทีก็หล่นสลายลงไปหายไปในดินเฉยๆเนี่ยหล่นปุ๊บลงไปก็มีบางคนเนี่ยกำลังหลอกหนังหล่นปุ๊บลงไปสลายไปความเข้าใจก็เกิดขึ้นในใจิตใจ มีบางคนก็ดูไปเห็นความเกิดดับเรื่อยไปความคิดความนึกความปรุงความแต่งดีใจเสียใจบ้างความเหนียบเงาอะไรก็มาเป็นปัญญาหมดแหละพอเราไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าเราไปหลงนะบางทีมันมีความคิดไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไปหลงว่าเป็นเราเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปยึดความคิดว่าเป็นเราแล้วก็มาโทษว่าเราไม่ดีซ้าลุงไปอีก ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดก็คือไม่ให้เห็นว่ามีอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเนี่ยมันก็มาที่นี่นะปัญญาเพราะฉะนั้นท่านถึงว่ามีสิกขาเป็นอนิสง์เนี่ยคำสอนของพุทธจ้ามีสิกขาเป็นอนิสงฆ์คือมีศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่ความพ้นทุกวิมุติสาลาเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นความหลุดพ้นเป็นเป้าหมายเพราะนั้นใครเกิดมาแล้วเนี่ย ถ้ามีเป้าหมายที่ถูกต้องต้องมีเป้าหมายเพื่อความหลุดพ้นพ้นจากสังสารทุกพ้นจากความทุกพ้นทุก์สามารถสลับเรื่องราวที่จะทำให้เป็นทุกได้ออกไปได้คือไม่ยึดมั่นถือมันมันชีวิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะยังเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหมือนเดิมแต่มุมมองภายในจิตความคิดภายในจิตความเห็นภายในจิตเปลี่ยนไป ไม่คิดในทางที่จะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์บางคนว่าเอ้ยหมดกิเลสแล้วต้องไม่เอาอะไรสิมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีได้ถ้ามันอยู่ในขอบเขตของธรรมะถ้าคนกิเลสน้อยหรือคนหมดกิเลสนุ้ก็ยิ่งมีสติปัญญารู้ว่าอันไหนควรเอาอันไหนไม่ควรเอาอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําำแล้วก็บังคับควบคุมตัวเองได้ดีเพราะอะันนไหมีประโยชน์ก็ทําอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทํา มันก็ยังเป็นปกตินี่แหละแต่ว่าการควบคุมตัวเองเนี่ยมันดีสมบูรณ์เล็งไปที่ประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวมด้วยประโยชน์ตนเองก็น้อยประโยชน์ส่วนรวมอย่างน้อยก็ประโยชน์ตนละประโยชน์ผู้อื่นถ้าเข้าใจจริงๆก็ประโยชน์สูงสุดอย่างที่พระเจ้าพาทําเลยสมัยพระเจ้ายังทรงมชุนอยู่บอกประกาศพรมาจันนะภาษาโวขององค์ประกาศพรมาจันนี่คือทําประโยชน์ สูงสุดตามคำสอนของพระเจ้าเลยตามที่พระเจ้าพาดาเนินไปเลยถ้าหากว่าทำได้ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยใจเรามันก็สงบอะ่ะมันไม่มีทุกข์อ่ะมันก็เย็นอยู่ภายในยใจิตใจศีลสมาธิปัญญาเป็นอนิสงส์มีศีลสมาธิปัญญากเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เป้าหมาย เป้าหมายจริงๆคือความหลุดพ้นคือความพ้นทุกไม่มีทุกไม่มีตัวเราคือมันต้องมาเห็นอ่ะสุดท้ายมาเห็นมาร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นมันจึงต้องพยายามที่จะให้สติสติควบคุมจิตให้จิตอยู่ซะก่อนไม่งั้นมันไม่สามารถมาดูตัวเองได้เพราะจิตมันไหลไปข้างนอกเนี่ยมันจึงต้องทําสติเพื่อให้เป็นสมาธิเพื่อให้ใจตั้งมั่นมันมีความจําเป็นอย่างนี้มันยังต้องพยายามปฏิบัติพยายามสํารวมระมัดระวัง ถ้าใครพยายามอยู่อย่างนี้เออนั่นแหะถูกต้องแล้วผมตั้งมันแล้วนี่จิตที่เคยออกไปมันไม่ออกมันก็ต้องมาดูข้างในมาดูตัวเรามันอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นพอใจที่จะอยู่กับตัวเองแล้วอยู่แล้วใจสุขใจสงบใจสบายขึ้นมาถ้าออกไปเมื่อไหรก่ก็มีเรื่องมีราวมีอารมณ์กุ้มหลุมมากมายข่ายกองมันเป็นทุกข์มันไม่สบาย มันก็มาศึกษากายกระจิตเรานี่แหลนะนะมันมันก็เข้ามาตรงนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่งานเรานี่คือตัวปัญญาก็สะสมไปก่อนไม่ใช่ว่าเห็นครั้งเดียวแล้วก็จะมาบอกว่า เ, เห็นแล้วไม่ใช่เราคิดเอามันยังไม่เต็มที่มันยังไม่อิ่มไม่พอเหมือนคนกินอาหารนี่แห ล, ละรับประทานอาหารเนี่ยคําเดียวมันยังไม่ทันอิ่มปฏิบัติก็เหมือนกันสะสมไปเรื่อยปัญญานี่ กายเวทนาจิตธรรมมุมมองก็คือว่าเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไงว่ามันเคยขึ้นตั้งอยู่น่ะไปถ้าเห็นอย่างเนี้ยนี่เราเป็นอริยมรรคบางที่กายอันนี้ก็เวทนาได้จิตเนี่ยธรรมอันใดอันหนึ่งอยู่ในนี้แหละมันไม่เหนือไปกว่านี้หรอกถ้ามันนิ่งรู้ว่ามันนิ่งดูอะไรเนี่ยดูจากการของจิต น, นคือจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสีฐานเนี่ย มันคิดรู้มันคิดนี่กิตตานุปัสนาสิบฐานเจ็บ ป, ปวดขึ้นมาทั้งร่างกายก็เวทนานุปัสนาสิปบฐานเวทนานทางกายดูลมดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเป็นซากศพดูเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็เป็นกายานุปัสนาสิบฐานมีสติตามดูอาการของร่างกายตามดูคาย แต่เห็นว่าเอมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่หน้าไปเป็นธรรมดูธรรมอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่หน้าไปก็ดูธรรมไม่ว่าดูอะไรถ้าดูเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นทุกข์นี่เป็นธรรมหมดนี่การปฏิบัติมันอยู่ที่จิตของเรานี่ตัวนี้ก็เป็นตัวปัญญาปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดวันที่จิตมีปัญญาเนี่ย มันจึงปล่อยวางสิ่งต่างๆได้อยู่เหนืออารมณ์ต่างๆได้หลุดพ้นได้เป็นวิมุติสาราทีนี้สิ่งที่เป็นใหญ่ก็คือสติสติเป็นอธิบดีสตาที่ปัตตยาสติเป็นอธิบดีมันเป็นใหญ่พอมีสติแล้วสติมีกำลังมากเท่าไหร่ทำทั้งหลายมันก็เข้ามารวมที่จิตของเราเรามีสติควบคุมจิตได้ มีสติสัมปชัญญะขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาใจตั้งมั่นมีปัญญาขึ้นมาอริยมรรคมีองค์แปดก็สมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งสรุปได้ปหารกิเลสได้มีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือจิตของเรามันมีสติมีสมาธิมีปัญญาอริยมรรคเนี่ยก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเหมือนกัน ถ้าหากว่าอริยมรรคเนี่ยเอามาซอยเอามาแบ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสั้กับโพเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีมความเปลี่ยนแปลงมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นง่ายๆจิตเราเห็นบางคนเห็นแล้วก็จิตคลายวางออกแต่ไม่มีคําพูดก็มี พออธิบายให้ฟังก็เออพออนุมานได้พอที่เทียบเคียงได้ถ้าไม่มีใครอธิบายก็บางทีก็รู้อยู่คลายออกอยู่แต่ว่าพูดไม่ได้พูดไม่เป็นพูดไม่เป็นก็มีธรรมะอยู่ในใจแล้วคือมันคลายออกแล้วความทุกข์มันน้อยลงไปแล้วนี่เราเอาสภาวะธรรมตรงนี้ตรงที่จิตเรามันเห็นความจรงิงรู้ความจริงแล้วมันคลายออกไม่ใช่เอาคําพูด ไม่ใช้พยายามพูดให้คนรู้ว่าเรานี่มีธรรมะอันนั้นไม่ใช่มันกลายเป็นความอยากพูดอย่างหนึ่งคน พ, พูดมากเกินพอดีมันก็เป็นสมผัปลาปะพูดเพ้อเจ้อเกินความจำเป็นพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดมันพูดเพราะความอยากจิตกนไหลออกไปเพิ่นออกไปเนี่ยมันจะคุมไว้ที่นี่ ิให้ดูยังดีกว่าสงบให้ดูเสียสละให้ดูทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้กันดูเราะอย่างนี้เป็นครูอย่างดีเลยนะแสดงออกด้วยการกระทำโอ้มีคุณค่ามากกว่าพูดอีกพอพูดนี่มันไม่ค่อยยอมรับกันง่ายๆนะคนเราเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์กิเลสเราก็ยังมีบางทีเรากำลังฝึกอยู่่ะพอเราฝึกได้แล้วเริ่มเละไปหาคนอื่นล สอดส่งไปหาคนอื่นมีมันส่งนอกอยู่ทําได้นิดหน่อยแล้วก็เอาไปทับถมคนอื่นแล้วไปกดข่มคนอื่นแล้วนี่เป็นมานะทันทีเลยนะทำดีแต่ไปเกิดกิเลสตัวใหม่ขึ้นมามันก็เลยดีไม่จริงเน่ยเนี่ยเรามาปฏิบัติเพื่อขัดเก้าจิตขัดเก้ากิเลสละตัวละตนนี่ปฏิบัติไปมีตัวตนเพิ่มขึ้นไม่ใช่ผิดแน่นอนเลย บางทีพอมีคนมาตำหนิหน่อยหนึ่งนิดเดียวบางทีก็บอกกันยังไม่ได้ตำหนิซ้ำบุบบุบขึ้นมาในจิตนี่แหละมันมีตัวตนแล้วนะ่ะมีอาการมีมานะแสดงว่าเดินทางผิดเดินทางจิตนะ่ะจิตในจิตนะ่ะมันวางท่าทีผิดต้องไม่เอาทีนี่เอาให้เห็นมันมันอยากใหญ่อยา ก, ยากแสดงออกไม่ต้องกดมันไว้เลยทีนี้ให้มันอยู่ในอํานาจของเราทีนี้เห็นหน้าตามันชัดๆ เพราะนั้นพระโสดาบันนี่ท่านถึงว่าต้องละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราได้เพราะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันต้องพยายามไม่ให้มีตัวเราทําทอะไรก็พยายามที่จะทําเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทำแล้วแล้วมันมันจะมีตัวตนว่าเราดีเราเก่งเราฉลาดคนนั้นจะต้องยกย่องสรรเสริญคนนั้นต้องคิดว่าเราดีเราเก่งมันคิดบุ้งไปหมดล่ะอย่าใเอายกย่องชมเชย เพราะนั้นพอเขาตำหนิหน่อยมันก็เลยมีอาการขึ้นมามีตัวมีตนขึ้นมาเนี่ยมานะเนี่ยต้องเราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้มันออกทำแล้วก็ต้องสอนตัวเองไปด้วยไอไอมันก็ต้องมีละ่ะตัวตนอยู่ในจิตเราเนี่ยความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นของเราในอพระสวดาบานพอท่านละได้แล้วบางทีมันก็ยังมีตัวตนอีกแบบหนึ่ง ตัวตนที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นมานะทิฏฐิตัวนี้แหละเพราะมันละเอียดเนี่ยเพราะมันจะละได้จริงๆก็คือเพรา ะ, ะหานในเมื่อเรายังไม่ใช่เพรา ะ, ละหลานเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับเราก็พยายามต่อไปคนอื่นก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะต่างก็กำลังปฏิบัติอยู่าบางทีจิตมันก็สอดสายไปไ ป, ไปจ้องมองกิเลสเขา มันไปตัดสินเขาอยู่ตลอดบางทีอ่ะอันนี้ก็ไม่ถูกอันนั้นก็ไม่ถูกนั่นเป็นกิเลสนี่เป็นกิเลสเอาใครไปตัดสินอยู่นั่นน่ะมันไม่เข้ามาดูตัวเองเยังไม่ทันมันนันเนี่ยเพาน่มัต้องเอาให้อยู่ที่ไม่ได้ไม่ต้องออกไปเขาดีเขาเร็วมันเป็นเรื่องของเขาเขาจะดีแสนดีขนาดไหนขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานใหญ่โตแค่ไหนก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ดีด้วย เขาเร็วซามต่ำช้าขนาดนี้นเราไม่ได้เร็วด้วยหัดวางถ้าหาว่าจะมีเมตตาต่อกันก็แนะนำกันดีๆได้ไม่ให้มีกิเลสไม่มีตัวตนก่อเกิดขึ้นมาอันนี้ของเรามันเต็มหัวใจอยู่ก็เอากิเลสไปตัดสินคนอื่นน่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยวมันเป็นกิเลสนี่แหละมันก็ไม่ก้าวหน้าเรานั่นแหละไม่ก้าวหน้าแล้ว่าจะไปอ้างนะ ทำพรา อ, อยากช่วยเขาอยากสอนเขาอยากให้เขาดีก็เรามันก็ยังไม่ดีอ่ะเรามันยังต้องแก้ไขอยู่อ่ะตัวเองก็ยังไม่ดีจริงอยากไปสอนคนนั้นคนนี้คือมันหลอกมันลวงมันต้มตุนกิเลสน่ะมันพาวแชร์เชืออออกไปนี่เราต้องรู้ให้ทันมันเล่ห์เหลี่ยมของมันอนะ่ะตรงนี้โกรธเขา บนให้เขาก็ยังไอยากให้เขาดีเนี่ยไอยหัวใจตัวเองมันไม่ดีอ่ะมันไปอยากให้เขาดีมันเอากิเลสออกไปเนี่ยมันมันไม่ได้มันต้องมีสตินะสตารถิปติยามีสติเป็นอธิบดีคุมจิตไว้สมาธิมันก็อาศัยตัวสตินยะต่อมาอริยามรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นนะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าก่ายกับจิตเนี่แหละ มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีเรามันก็มีเขามีของเรามีของเขาจิตก็เป็นกลางได้มันค่อยวางไปพราะมันไม่มีเราไม่มีของเราความคิดความเห็นพยาบาทก็จะไม่มีความคิดที่จะไปเอาอะไรที่มันเกินขอบเขตอะที่มันน้อมดิ่งไปจะเอามันก็ไม่มีก็น้อยลงนะมันก็น้อมดิ่งในทางที่จะละจะคลายครับเป็นสัมมาสังกัปาะ ดัมลที่จะไม่เอาของคนอื่นบางทีมันมีความอยากรุนแรงบีบคั้นตัวเองมันก็ดับไปได้มันก็เอาด้วยเหตุด้วยผลมีความพอดีเข้าว่ากันนะั่นอยู่ในขอบเขตของธรรมะได้ละพยาบามบัด้ละวิหิงสาในความที่จะเบียดเบียนคนอื่นน้อยลงไปอันนี้ท่านจะเป็นตัวปัญญา สัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาจิวอันนี้ท่านจัดอยู่ในองค์ศีลสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ท่านจัดอยู่ในพวกสมาธิต่อมาอริยมรรคมีองแปดเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ศีนสมาธิปัญญาเนี่ยมันกว้างกว่ากว้างกว่าอริยมรรคมีองแปดศีลคือสภาวะที่จิตเราเป็นปกติ ละเจตนาที่ไม่ดีได้สมาธิกระจตั้งมันปัญญาก็คือว่ารู้ความจริงสูงสุดเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสุดท้ายปัญญาที่แท้จริงนะหมย่อริยมรรคมันประหารกิเลสได้เป็นประสดับวันบุคคลสกิทาคามีบุคคลอนาคามีบุคคลสุดท้ายเป็นพลานตะบุคคลหมดกิเลส มีปัญญาสูงสุดเลยเนี่ยสูงสุดทําให้หมดกิเลสทาให้พ้นทุกข์ได้ทําให้เป็นอิสระได้ทําให้หลุดพ้นได้ถึงปณิพานนะ่ะจิตเข้าถึงปณิพานคือตรงนี้สิ่งนี้มาปุงแต่งไม่จิตจะไม่มีทีนี่ที่ปฏิบัติมาปฏิบัติมาเนี่ยมันก็เพื่อพัฒนาจิตของเราให้มาถึงความหลุดพ้นเพื่อประหารกิเลสหมดจดจากใจ ไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจไม่มีตัวมีตนเวลาเราปฏิบัติเรารู้เป้าหมายแล้วเราพยายามละสิทีนี้อันไหนมันจะขัดขวางทำให้เราเข้าถึงธรรมไม่เอาพยายามให้เร็วเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นมีผลดีต่อจิตเราใครละได้ เ, เร็วเ็าเรียกว่ามีอินทรีย์แก่กล้าจิตมันกล้ามันกล้าหานมันอาจหานไปในจิตมันละได้มันมีกาลังแต่คนไหนอะไรมาหน่อยหนึ่ง เปยซ้ายเปยขวาแล้วปุุงแต่งไปนี่อินซีมันอ่อนถ้าไม่มีอะไรกระทบก็เฉยสบายพอมีอะไรขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นฟืนเป็นไฟลุ่มร้อนนี่อินซีอ่อน ค, นคนที่จะบรรลุธรรมช้าหรือเร็วได้ผลมากหรือน้อยได้ผลชา้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับอินซีว่าอินรีกล้าอินซีแก่กล้าหรืออินซีอ่อนก็น พ, พูดธรรมะไปอะ ถ้าเราปฏิบัติถูกทางแล้วเทียบเคียงได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนเอาสติมีไหมเนี่ยสติมันก็พอรู้แล้วเนี่ยแล้วก็จิตเนี่ยอยู่ในอำนาจของสติไหมถ้าอยู่ในอำนาจของสติมันก็เป็นสมาธิอะ่ะแต่สมาธิจริงๆเนี่ยเราอยากให้จิตอยู่ตรงไหนก็ได้อยากให้มันทำงานอะไรก็ได้เนี่ยคือคือจิตตั้งมั่นละมันมีกำลังลว ถ้ายังไม่มีกำลังก็จะนิ่งอยู่เฉยอยู่รอเวลารอเวลาให้สติมีกำลังเพราะนั้นความเพียรมันยิงพวนต่อเนื่องแต่ใครต่อเนื่องได้มันก็มีกำลังเร็วแต่ใครมันไม่ค่อยต่อเนื่องสติเนี่ยกำลังมันก็อ่อนน่ะกว่าจะเอาจิตให้อยู่กว่าจิตอยู่กว่าตัวเรากว่าจิตจะ ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆกว่าที่มันจะน้อมเข้ามาดูกายดูเวทนาจิตธรรมภายในตัวเราได้นี่ใช้เวลานานแต่้าจิตมีกําลังบางที่ปับ๊บมันเข้าไปคุมจิตได้เลยเนี่ยเนคนเดียวกันบางทีบางวันมีกําลังบางวันไม่มีกําลังนี่คือมันขึ้นมันลงไม่ได้เสียหายอะไรนะเพียงแต่ว่ากําลังของสติกําลังของพวกอินทรีย์เนี่ย มันมีการขึ้นลงมันไม่ได้คงที่นะเพราะนั้นบางวันเราภาวนาดีสติตื่นตัวดีค่องแคลวว่องไวแล้วจะไปสรุปว่าเราดีแล้ววันต่อๆไปจะต้องเป็นอย่างนี้นยึดแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่สบาใ จ, จเราะนั้นให้มันเป็นสภาวะธรรมเรามีหน้าที่ตามดูตามรู้ตามเห็นอย่างเดียวท่านสมาธิท่านปัญญาบางทีมันก็ขึ้นลงได้ ในจิตเราเนี่ยบางทีมันมันกระทบอารมณ์มันไม่ดีจิตไม่ดีบางทีเข้าสมาธิก็ยากเพราะใจไหลไปไหลมาเราก็หาอุบายอื่นเดินบ้างผ่อนคลายให้มันสบายดูนั่นดูนี่แต่ว่าสติแอบดูมันมันมันจะแอบดูเองเพราะมันมีเรื่องในจิตความรู้สึกของเรามันจะแป๊บไปหาไออารมณ์ที่มันค้างอยู่ในจิตนั่นแะ ต่อมาเราจะเห็นมันอุ๊ยมันเกิดดับนี่นะมันหายไปได้นี่นะเนี่ยมันต้องมีขึ้นมาถ้าปัญญามันเข้าถึงแล้วมันก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องดับไปดับไปจากจิตเรานะจิตเราก็คลายความยึดมั่นถือมันคลายความรุ่มหลงเนี่ยทำทั้งหลายมันก็มาอยู่ในจิตหมดเริ่มด้วยตัวสตินั่นแหละสติเป็นใหญ่ ยังค่มีความสงบมีความตั้งมัน่นรู้อันนั้นอนนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคขายออกคขายออกจิตเนี่ยต่อมากับโพชงเจ็ดสมบูรณ์โพชงก็คือองค์แห่งการตัดสูรร้ทำโพธิบวกองค์ฆ่องค์ที่จะทําให้เรารู้ทำบรรลุธรรมมันก็คือสติสัมโพชงเนี่ยก็คือตัวสติอีกนั่นแหละเนี่ย ธรรมวิยาสัมโพชฌงก็คือตัวปัญญาเลือกเฟ้นธรรมเลือกเฟ้นปัญญาเลือกเฟ้นเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกลางกลางเป็นอุเบกขาไม่ใช่อะไรหรอกเพ่ให้มันไปไหลไปทางโน้นทางนี้เนี่ยเพื่อให้จิตเราเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่เพลินไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ วิทยาสัมโพชงความเพียรก็เพียรเพื่อมีสติเพียรเพื่อมีปัญญาอย่างนี้แหละปิติสัมโพชง์อันนี้อิม่มอกอิอ่มใจมันต้องมีความอิ่มใจด้วยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันอิ่มอยู่ในใจมีความสุขความสบายภายในจิตใจนะ่ะเพราะนักคนปฏิบัติธรรมมันจึงมีความสุขเป็นสภาวะที่มันเป็นความสุขที่เกิดเองโดยธรรมชาติคือมีปีติแล้วก็ปัจสถานสัมโพชงความสงบของใจ มันก็ต้องมีขึ้นมามันสงัดไปจากความนึกคิดปรุงแต่งใจก็สงบราบเรียบนะสมาธิสัมโพชงค์ ใ, ใจตั้งมั่นใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่เลื่อนลอยไปทางอื่นอุเบคาสัมโพชงคออ์อันนี้สำคัญใจต้องวีอุเบคาอะไรเกิดขึ้นรู้แต่ข้างในจิตเนี่ยเป็นอุเบคา ตัวที่รู้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือตัวปัญญาตัวที่มันนิ่งมันเป็นเบี้ขาปัญญามาชำระจิตได้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่มันจะเข้าสู่วิมุติคือความหลุดพ้นเข้าสู่หาความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตมันจึงบริสุทธิ์และก็มีปัญญามันทํางานไปด้วยกันได้ปัญญาก็อบรมจิตจิตก็สะอาดจิตก็บริสุทธิ์ขึ้น ตัวจิตสตร์บริสุทธิ์แต่จิตไม่ใช่พันิพานจิตถึงพันิพานถึงสภาวะธรรมอันหนึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้ความรู้มันเด็ดขาดสูงสุดปาานกิเลสได้หมดจดแล้วตัวตนไม่มีแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่ากายว่าจิตเป็นเราเป็นของเราเด็ดขาดออกไปเลยตัวตนก็เลยไม่มีเนี่ยมันหลุดพ้นอย่างนี้ เพรนั้นสตินี่เป็นใหญ่องค์ธรรมต่างๆเข้ามาประกอบอยูใ่ในจิตเราโปรดชงกับสมบูรณ์พอสมบูรณ์ก็ทําให้อดยมักมีองค์แปสมบูรณ์นี่มีประหารกิเลสได้เป็นขั้นเป็นตอนไปโซดาบันสกิทาคามีอนณาคามีพอลหันหมดตัวหมดตนได้เข้าถึงวิมุตตพ้นถึงปณิพานจิตถึงปณิพานก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ เพรามันจะเห็นมันจะรู้ญาณรู้ของป่าวสารมันก็มี่รู้ไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วมันไม่สามารถพาเราไปเกิดได้ไม่มีอะไรพาเราไปเกิดได้มันก็เลยหมดหน้าที่หมดภาละ่ะความวินวายใจเกิดก็ไม่มีความทุกข์ ที่จะต้องมาหมักหมมมาจอดจมอยู่ในความทุกข์นี้ไม่มีต่อไปเป็นอิสระเสียทีหนึ่งนี่มันจึงสบายใจนะเห็นน้ำท่วมเห็นคนเขามีปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนเออกรรมที่เราเคยเกิดมาร่วมกันก็สิ้นสุดแค่นี้ละเราไม่กลับมาเกินอีกแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างธรรมชาติจะวิปลิตขนาดไหนก็ช่างโลกจะเดือดร้อนยังไงก็ช่างเราเนี่ย ไม่ต้องมารับทุกข์รับเคราะห์รับกรรมจากธรรมชาติเหล่านี้อีกต่อไปแล้วจากโลกนี้อีกต่อไปแล้วมันเลยสบายรอเวลาเท่านั้นเองเพราะหลานไม่กลัวตายนะรอเวลาเม่อมันตายเมื่อไหร่ก็จะได้แล้วกันไปอยู่ก็ทําประโยชน์ไปตายก็แล้วกันไปไม่มีอะไรทําให้เป็นทุกข์ได้เอาให้ตั้งใจภาวนาไปนะ นามัสสะพระโคตโธโคโนมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะราโตซึ่งเป็นผู้ใกล้ชากิเลสสมมาสมคติทัา สราสรู้ชอบใจด้วยพระองค์เอ